บทอาร์รดูนี้เป็นบทมาดานิยะมีสี่สามองค์การซึ่งมีจุดมุ่งหมายหลักเช่นเดียวกับบทมาดานิยะทั้งหลายคือยืนยันให้ความเป็นเอกภาพของอาร์การเป็นาศาสนทูตรของมวมัตดการฟื้นคืนชีพและการตอบแทนในปรโรดบทนี้ได้เริ่มกล่าวถึงปัญหาใหญ่คือปัญหาการศรัทธาต่อละและการให้ความเป็นเอกภาพแด่พระองค์ ทั้งๆ ท, ที่มีหลักฐานปรากฏชัดเจนอยู่แล้วแต่พวกบูชาจเวตก็ยังปฏิเสธศรัทธาต่ออัลกุรอานและไม่ยอมให้ความเป็นเอกภาพแพร่งแต่นั้นองค์การต่างๆในบทนี้จึงได้ยืนยันถึงเดชานุภาพทุกอย่างอันสมบูรณ์แบบของโลกความแปลกประหลาดของสิ่งที่เกิดขึ้นมาในบรรดาชั้นฟ้าและแผ่นดินดวงอาทิตย์และดวงจันทร์กลางคืนและกลางวัน ตลอดจนสิ่งอื่นๆที่ลรอทรงบังเกิดขึ้นมาในจักรวาลอันกว้างใหญ่ไพศาลและงดงามองค์การต่อๆมาได้ยืนยันถึงการฟื้นคืนชีพและการตอบแทนหลังจากได้กล่าวถึงหลักฐานอันชัดแจ้งและแน่นอนว่าพระองค์เท่านั้นเป็นผู้สร้างผู้ให้บังเกิดเป็นผู้ให้มีชีวิตและให้ตายเป็นผู้ให้คุณและให้โทษอักราุานยกอย่างสองเรื่องสาหรับความจริงและความเพี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 ซึ่งถูกกระจัดออกไปสำหรับส่วนที่เหลืออยู่คือธาตุแท้ที่บริสุทธิ์ในบทนี้ยังได้กล่าวถึงลักษณะของผู้ที่มีความสุขและผู้ที่มีความทุกข์ซึ่งคนตาบอดกับคนตาดีแล้วก็ได้แจกแจงชะตา ก, กรรมของคนทั้งสองประเภทที่ถูกขนานนามว่าบทอรอดดูนั้นเนื่องจากปรากฏการแห่งจักรวาลอันน่าประหลาด เสมืนการแสดงให้เห็นเป็นที่ประจักษ์ถึงอนุภาพและอำนาจอันปราศจากขอบเขตของอัลลอฮฺสุบัตทานุอัตลาสำหรับน้ำนั้นอัลลอฮทรงบรรดาให้มันเป็นสาเหตุแห่งการดำรงชีวิตและทรงบรรดาให้มันไ ห, นนลลนน ห, นหลลงมาจากก้อนเมฆด้วยเดชานุภาพของพระองค์และในก้อนเมฆนั้นพระองค์ทรงรวมมันไว้ด้วยกันระหว่างความเมตตาและการลงโทษก่อนเมฆนั้นได้อุ้มน้ำฝนและเก็บสายฟ้าเอาไว้ด้วย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 بسم الله الرحمن الرحيم. ب ب ر ن ا م ل ل ه ผู้ทรงกรุณาผู้ทรงเมตตาเสมอ ا ل ل ا م م ر تلك آيات الكتاب والذي. อัลีสลามรอลาวนี้คือบรรดาองค์การแห่งาพีและสิ่งที่ได้ถูกประทานลงมากแก่เจ้าจากพระผู้วิบาลของเจ้านั้นเป็นศัธรมแต่คนส่วนมากไม่ศรัทธาอัลลอฮฺผู้ที่ระฟาส้้้้้้้้้้้้้้ ทุมมาสต์และบนอาหรับ ا ل ะซักของแสงและวันอัลกัมร์คุณที่จะรินอันรินมุสันนาจะดับบรืออัมรยุ่งลอกาละบิิคาอรับบิคุมินนอัลลอคือผู้ทรงยกชันฟ้าทั้งหลายไว้ด้วยประาศจากสาวคำจุดซึ่งพระเจ้ามองเห็นมัน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 วะมินคุณลสมราชิจาลทีหาเจ้ใจมิศนันยนยุกชิลัยลัมมหารอินฟาีดาลิคล า, ายาทิลลิควมียัตฟักรูนแล้วพรงคุณผู้ทรงแผ่พันบินและทรงทําให้มันไม่คุกเขามั่นคงในนั้นและมีแม่น้ํามากมายและจากพืชผลทุกกริษทรงให้มีจํานวนคู่ ส่งให้กลางคืนครอบคลุมกลางวันแท้จริงในการนั้นแน่นอนย่อมเป็นสัญญาณสำหรับกลุ่มชนผู้ใกล้ค ร, รั ว, นนวานว และในพืนดินนั้นมีเขือดดานติดต่อกล้เคียนกันถ้ามีสวนพืกษาเช่นต้นองุ่นและต้นทีมีเมล็บและต้นอินทพลั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 ละกเจ้ามูฮัมหมัดประหลาดใจดังนั้นคำกล่าวของพวกเขาก็น่าจะประหลาดใจที่ว่าเมื่อเรากลายเป็นดินไปแล้วแท้จริงเราจะเกิดใหม่กระนั้นด้วย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 และพวกเขาเร่งเราเจ้าขอความชั่วคือการลงโทษก่อนความดีคือความสุขแต่น่านอนได้มีหลายตัวอย่างเกิดขึ้นก่อนหน้าพวกเขาแล้วแต่แท้จริงพระผู้อวยบานของเจ้าเป็นผู้ทรงอภัยโทษแก่มนุษย์ต่อการอาธรรมของพวกเขา แต่แท้จริงพระผู้อภิบาลของเจ้าเป็นผู้รุนแรงในการลงโทษและบรรดยาผู้ปฏิเสธัทธาจะกล่าวว่าทำไมจึงไม่มีปฏิหารจากพระผู้อบิบาลของเขา ถูกประธาลงมาให้แก่เขาถ้าจริงเจ้าเป็นผู้ตักเตือนเท่านั้นและสำหรับทุกทุกกลุ่มชนนั้นย่อมมีผู้ชี้ทางนะอัลลอฮฺงรอบรู้สิ่งที่ผู้หญิงทุกคนตั้งคันและบรรดาคันที่คลอดก่อนกำหนด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 มันเท่าเทียมกันในหมู่พวกเจ้าผู้ที่ปกปิดคำพว่วและผู้ที่เปิดเผยหมดและผู้ที่ซ่อนการกระทำในเวลากลางคืนและผู้ที่เดินทางอย่างเปิดเผยในเวลากลางวัน لَهُ مُعْطِبَةٌ م ِ ن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ ي َ ح ْ ف َ ظ ُ ن َ ه ُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُ مَا ب ِ أ َ ن ف ُ س ِ ه ِ م ْ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُؤَالًا ت َ ل َ م َ رَدَّهُ วสำหรับเขามีมาเลกาผู้เฝ้าติดตามทั้งด้านหน้าด้านหลังเขาคุ้มครองเขาตามพระบัญชาของอะรถถ้าจึงอลรถจไม่ทรงเปลี่ยนแปลงสภาพของกลุ่มชนใดจนกว่าพวกเขาจะเปลี่ยนแปลงสภาพของตัวของพวกเขาเองและเมื่อลอรถทรงปราถนาความผู้แต่กลุ่มชนใดก็จะไม่มีผู้ตอบโต้เรา แต่สำหรับพวกเขาจะไม่มีผู้ช่วยเหลือใดๆนอกจากพระองค์เท่านั้นลล um พระองค์คือผู้ทรงให้พวกเจ้าเห็นฟ้าแลบเพื่อความกลัวและความหวังและทรงให้เกิดเมฆทึบ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 ل ب و ه د له دعوة الحق والذين يدعون من د ه لا يستجيبون له بشيء لا يستجيبون له بشيء إلا كباسخ كفه إلى الماء ليدل غفاه وما هو ببالغ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 นอกจากอยู่ในการหลงผิดเท่านั้นแต่ผู้ที่อยู่ในบรรดาชั้นฟ้าทั้งหลายและแผ่นดินต่างก็กราบต่อเหรอด้วยความทักดีและความจำยอมและเงาของมันจะกราบด้วยทั้งยามเช้า قل ما الرب السماوات والأرض ل ل ل ه قل أتتخذتم من دونه أولياء ل ا يملكون لأنفسهم نفع ولا ضر قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الضل مت والنور จงกล่าวเถิดมุฮัมมัดว่าใครคือพระผู้อภิบานแห่งบรรดาชั้นฟ้าและผ่นดินจงกล่าวเถิดว่าอัลลอฮ ลุงกล่าวถึงว่าพวกเจ้าได้ยึดเอาผู้คุ้มครองอื่นจากอัลลอฮฺกระนั้นดือซึ่งพวกมันไม่มีอำนาจให้คุณและโทษแก่ตัวของพวกเขาเองลุงกล่าวถึงว่าคนตาบอดกับคนตาดีจะเหมือนกันหรือหรือความมืดจะเหมือนกับแสงสว่างหรือหรือพวกเขาได้ตั้งบรรดาภาขีขึ้นจากลลอ้นั้นเพื่อให้ได้สร้างเช่นเดียวกับการสร้างของประมง แล้วการสร้างนั้นได้คล้ายเคืองแก่พวกเขากระทำนั้นหรือจงกล่าวเถิดว่าอัลลอฮ์คือผู้ทรงสร้างทุกสิ่งและพระองคือผู้ทรงเอกะผู้ทรงอำนาจอีกรามบบวอ حنية أو متاع ز ب د م ث ل ه كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما الزبد فيذهب ج ف ا ء وأما ما يرفع الناس ف ي ن ك ث في الأرض كذلك يضرب الله الأنفال.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 ل ا ل َّ ذ ِ ي ن َ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمُ ا ل ْ س ن َ و ا ل َّ ذ ي ن َ ل َ م ي َ س ت ج ي ب و ا ل َ ه ل َ و أ ن َّ ل َ ه م مَا ف ي ا ل أ ر ض ج َ م ي ع َ و َ م ِ ث ْ ل ه ُ م ع ه ُ ل َ ف ت َ د و و ب ِ أ ُ و ل ا ئ ِ ك َ ل َ ه ُ م س ُ و ء ا ل ح ِ س َ ا ب ِ و َ م أ و ا ه ُ م ج َ ه َ ن َّ م و َ ب ِ س َ ا ل م ه ا د สำหรับบรรดาผู้ตอบสนองต่อพระผู้อภิบาลของพวกเขาคือการได้รับความดีและบรรดาผู้ที่ไม่ได้ตอบสนองต่อพระองค์แ ม, ม้ว่าพวกเขาจะมีทั้งหมดที่มีอยู่ในแผ่นดินและมีอีกเรี่องนั้นพวกเขาก็จะยอมเอามาไถ่โทษอย่างแน่นอนโทนเหล่านั้นสําหรับพวกเขาคือการมีบัญชีที่ชั่วและที่คํานักของพวกเขาคือนรกยานหนักมันช่างเป็นที่พํา น, นักที่ชั่วช้ายิ่งจริง อาฟัะไั่ย่ำลมาามมืมอันน่มาอุทิศน์อิลัยค์คืออับบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบเบบบบบบบบบบบบบเบบบบบบบบบบบบบบาบบบบบบรบบบบบบบบบบิบบรบบาบบบบบบาบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบจบบบบ้บบบบนบบบบบบบบจบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบรบบบบบบบบบบบบ บรรดาผู้ที่ให้ครบสมบูรณ์ซึ่งสัญญาขอระอง الله. และไม่หยิดพิลุต่อขอ้อตกลง All ผูนท ص ่ให้ครบสมรณ์ซึ่ัญญาอร้องและไม่หยุดพิ ي ุ่มต่อข้อตกล ลับดาพูดที่เื่อมสัมพันธ์ตามที่อัลลอ์ทรงบัญชาให้เขาเส่อมสัมพันธ์และยำเกรงพระผู้วบานของพวกเขาและกลัวการมีบัญชีชัวและผู้ที่ละมวามเชื่อ และบรรดาผู้ตนโดยหวังความโปรดปรานของพระผู้อภิบาลของพวกเขาและปฏิบัติละมาและบริจาคสิ่งที่เรา ได้เป็นปัจจัยอย่างชีแก่พวกเขาโดยที่สอนเบ้นและเปิดเผยและสำหรับพวกเขาจะะจัดความชั่วได้ความดีชนเหล่านั้นแหละสำหรับพวกเขาคือที่พมนักในวันปลายที่ดี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 พร้อมกับกล่าวว่าขอความสันติจงมีแดพวกเจ้านึ่งด้วยพวกเจ้าได้อดทนมันช่างดีสิได้ไรในบ้านลายมีลลบดออ และบรรดาผู้ทำลายพันธะของอัลลอฮ์หลังจากที่ได้คำมั่นสัญญากับพระองค์ไว้แล้วและพวกเขาตัดขาดสิ่งที่อล่อทรงช้าให้เขาต่อและบ่นทำลายในแผ่นดินชนเหล่านี้แหละพวกเขาจะรับการสาบแช่งและจะได้ ที่ l a h ยับสุดจุดวัางใครไม่เยี่ยชาและก้ดันว่าทริ๊งะจจ์ แ, พพะแลพวกเขาดีจัอชีวิตในโลกนี้และชีวิตของโลกนี้ เมื่อเปรียบเทียบกับพระโลกแล้วหาใช่เงินใดนอกจากความเพลอดเผลินเท่านั้นจะบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธากล่าวว่าทำไมสัญญาณของพระผู้อภิบาลของเขาถึงไม่ถูกประทานให้แก่เขา จงกล่าวเถิดมูมหมัดว่าแท้จริงอัลลอฮ์ทรงให้หลงทางแก่ผู้ที่พรงทรงประสรงค์แต่ทรงนำทางสู่พระองค์แก่ผู้ที่สมฤกิดบันดาผู้สทธาและจิตใจของพวกเขาสมงบด้วยการกอุทิศต่อ Allah เพิ่งทราบเกิดว่า้วยการระลึกถึงกอรรท่านั้นจะทำให้จิตใจสมบัติผู้ศรัทธาแกระทำความดีความฝันสุขย่อมได้แก่พวกเขาและเป็นการกลับไปที่ดียิ่งบรรดาผู้ศรัทธากะมุมกาลทีิ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 بل لله الأمر ج م ي ع ا أ أ ف ل ْ يئس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهد الناس جميعاً، ولا يزال الذين ك َ ر ت صيبهم بما صنعوا قارعاً.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 แต่ถ้าว่าพระบัญชาทั้งมวลนั้นเป็นกรรมสิทธิ์ของอลรรห์บรรดาผู้ศรัทธายังไม่รู้หรือว่าแม้ว่าลออส่งประสงค์แน่นอนพระองค์จะส่งที่แนะทางแก่มนุษย์ทั้งหมวลก็ได้และบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธานั้นความไายาณายังคงประสบแก่พวกเขาเนื่องโดยพวกเขาได้กระทำไว้หรือจะเกิดขึ้นใกล้ที่พรมนักของพวกเขาจนกระทั่งสัญญาณของอลออสจะมาถึงแท้จริงอลรรห์นั้นเป็นผู้ไม่ทรงผิดสัญญา م م และโดยแน่นอนบรรดารอซูลก่อนหน้าเจ้าได้เคยถูกเยอะหยานมาแล้วข้าได้ประวิงเวลาแกบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาและข้าได้ลงโทษพวกเขาแล้วการลงโทษของข้าเป็นเช่นใด من على كل نفس بما كسبت وجعلوا لله شركاء قل س َ م ه م أن تندؤ له بما لا يعلم في الأرض بظاهر من القول بلزين للذين كفروا مكرم وصدوا عن السبيل นิพระองค์คือผู้ทรงฟังมองทุกชีวิตที่มันได้ขวนขวายเอาไว้จะเหมือนกับเจ้าเวททั้งหลายการะนั้นด้วยและพวกเขาได้ตั้งคาวีกับละล้อจงกล่าวเถิดมูฮัมหมัดว่าพวกเจ้าจงกล่าวชื่อพวกมันหรือพวกเจ้าจะบอกพระองค์ในสิ่งที่พระองค์ไม่รู้ในกาลินหรือเป็นเพียงคําพูดที่กล่าวขึ้นมาลอยๆกระนั้นด้วยเปล่าเลย แผนการของพวกเขาได้ถูกทำให้เพริบแล้วแกบณาผู้ปฏิเสธและถูกปิดกั้นจากแนวทางของอัลลอฮ์และพรด大爷ที่เราทรงประสงค์ให้เขาหลงทางแล้วสำหรับเขาจะไม่มีผู้ชี้แนะให้เลยลวมดาบสำหรับพวกเขาจะได้รับการลงโทษในชีวิต ความเป็นอยู่ของโลกนี้และแน่นอนการลโางโทษในวันประโลคร้ายแรงยิ่งกว่าและสำหับพวกเขาไม่มีผู้คุ้มกันจากการลงโทษของอัลลอฮฺดังนั้น อุประมาสวนสวรรค์ซึ่งบรรดาผู้ยำเกรงได้ถูกสัญญาไว้คือแม่น้ำหลายสายหลยผ่านอยู่เบื้องล่างมีผลไม้และเงาร่วมอยู่ตลอดเวลานั่นคือบ้านปลายของบรรดาผู้ยำเกรงและบ้านปลายของบรดาผู้ที่ปฏิเสธาคุ เลบานนาผู้ที่เราได้ประทานคําพีแก่พวกเขาต่างก็ดีใจดีใจต่อสิ่งที่ได้ถูกประทานลงมาให้แก่เจ้าอังกุรอานและส่วนหนึ่งจากกลุ่มชนต่างๆมีผู้ปฏิเสธบางส่วนของมัน เขื่ อ, อนกุระต้องกล่าวเถิดมฮัมมัดเลยว่าแท้ที่จริงฉันได้ถูกชายให้เคารพพักดีต่อรองแต่ฉันจะไม่ตัง้งภาคีต่อพระองค์และก็ยังพระองค์เท่านั้นที่ฉันจะเชิญชวนและก็ยังพระองค์เท่านั้นคือการกลับไปของฉันโอ้แกะดล้กลกาอ่นสังให้ผู้คนอารบิยาว่าในที่ที่ติดตามเาพวาะมาหลังจาคุ้รัวมรู้าค من من و و แต่ในตำนานนั้นเราได้ประทานอันกุรานแก่เขาไว้เป็นข้อชี้ขาดที่เป็นภาษาอังและหากเจ้าปฏิบัติตามความไถ้ของเขาหลังจากประทานได้มาอย่างเจ้าแล้วสำหรับเจ้าแล้วจะไม่มี ผู้ช่วยเหลือและผู้คุ้มกันจากการลงโทษของ Allah และโดยแน่นอนเราได้ส่งบรรด า, าศาสนาทูตมากอ่อนหน้าเจ้าแล้วและเราได้ให้เขามี ภริยาและลูกหลานและไม่บังควรแก่ศาสนาทูตที่จะนํามาซึ่งปฏิหารใดๆเว้นแต่โดยอนุญาตของอัลลอฮ์สำหรับทุกสิ่งนั้นมีบันทึกไว้แล้ ว, اء, ว, วอมมัลลอฮ์จะทรงยกเลิกสิ่งที่พระงองค์ทรงประสงค์และทรงยืนยันสิ่งที่พระงองค์ทรงประสงค์และที่พระองค์นั้นมีแม่บทแห่งคำผิด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 และหน้าที่ของเราคือการํำระบัญชีเพ ร, ร, ราะเขาไม่เห็นดอกหรือว่าแท้จริงเราได้ขยายพื้นที่แล้วเราได้ให้มันลดน้อยลงจากอาณาเขตของมันแล้วล้อทรงตัดสิน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 พรงทรงรอบรู้สิ่งที่ทุกชีวิตแสวงหาเอาไว้และพวกปฏิเสธศรัทธาจะรู้ว่าที่ํานักที่ดีในบันปลายนั้นจะได้แก่ผูดด้ใดบ้างและบรรดาผู้ที่ปฏิเสธศรัทธากล่าวว่า เจ้าไม่ใช่ผูดที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นศาสนาพุทธช่งกล่าวเถิดมัวหมัดว่าเพียงพอแล้วที่อะลอตทรงเป็นพยานระหว่างฉันกับพวกเจ้าและผู้ที่มีความรู้ในคำฟีนี้ก็เป็นพยานด้วย